จำไว้นะครับว่าเรานั่งสมาธิจิตตั้งมั่นให้เกิดปัญญาที่สำคัญสุดคือปัญญานะครับไม่ใช่ความสงบปัญญาเกิดจากความตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้เราหลบไม่ได้ในชีวิตประจำวัน เราอาจจะชอบเราอาจจะคำํำไม่ใช่เรื่องผิดอะไรสิ่งเหล่านี้สั่งสมมาในชีวิตของพวกเรายาวนานแต่ผมจะบอกวิธีตลกหลังกลับให้เราหยุดไม่ได้เราชอบแล้วไม่คิดจะถอดถอนด้วยเพราะเรามองว่ามันเป็นความสุขรู้ลมไว้ ผมถามว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนความสุขที่ว่าเมื่อกี้อยู่ที่ไหนไม่มีตอนนี้คืออุเบกขาอารมณ์เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่มีตันหาล้ถ้าทำครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงร้อย คุณค่าของสิ่งนี้จะค่อยๆหมดไปเพราะจิตรู้แล้วว่ามันเหมือนมายาเลยผ่านมาวุบแล้วผ่านไปแล้วไม่มีอีกเลยถ้าชาวโลกที่ไม่รู้ก็สมมติว่านี่เป็นโรงหนังโรงแสดงออกไปก็เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่นั่งเรียซากกินซากเล่มซากของที่ผ่านไปแล้วหมด แต่นักภาวนาที่เห็นความจริงอาจจะไม่ได้ปฏิเสธโลกอะไรโลกเขาก็เป็นไปตามโลกอนุวัตไปตามโลกแต่รู้จักที่จะดูแลตัวเองดูแลจิตใจให้เกิดปัญญาเท่า น, นั้นเองเราจะถอดถอนข้างในก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครเราจะหัวเราะหรือไม่หัวเราะก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครแต่ปัญญานี่แหละสำคัญ ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเหมือนต่อมน้ำเหมือนพยับแดดถ้าเมื่อกี้คือความสุขต้องถามตัวเองให้แรงแงดังๆเลยว่ามันอยู่ไหนถ้าเมื่อกี้เสียเงินมากมายความสุขนั้นอยู่ไหนถ้าบอกว่าอุเบกขาอารมณ์ตอนนี้ว่างจากตันหาเป็นความสุข ตรงนี้เงินไม่ได้เสียแล้วพระเจ้าตรัสว่าสุขนี้คือสุขที่ไม่ควรกลัวเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าสู่ปลายทางบางครั้งถ้าต้านกันตรงๆไม่ได้ต้องใช้ปัญญา การเนคขมมะแน่นอนเป็นสิ่งดีแน่แต่บางครั้งมันเนคขมมะไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเอาหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตเกินครั้งที่สิบเกินครั้งที่ร้อยท่านจะเห็นจิตวางอุเบกขากับสิ่งพวกนี้เลยเหมือนดูได้แต่ไม่ติด จะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้จนไม่ดูก็ได้เพราะความสุขไม่ได้หาจากข้างนอกแล้วไม่ต้องการเหยื่อรอ ตอนนี้ตัณหามีไหมถ้าจิตสงัดจากรามสงัดจากธรรมอันเป็นอกุศลจิตใจตั้งมั่นพอสมควรอยู่กับองค์บริกรรมคือวิตกวิจารมีผลเป็นอุเบกขาจงรู้เถอะว่าท่านเข้าสู่ปฐมฌานไปแล้ว อาจจะมีปีติมีสุขถ้ารู้จักที่จะซึมทราบซึมซับว่าสภาวะนี้คือนิพพานชิมลองหรือสันทิฏิการานิพพานให้เขาได้สัมผัส ให้ก็ได้สัมผัสบ่อยๆมากๆเป็นฐานเป็นความเคยคุ้นสร้างความเคยคุ้นใหม่ให้จิตเคยคุ้นกับความสุขในความสงบความสุขที่ปราศจากตัณหาวันไหนที่มันมีตัณหาบีบคั้นจะเกิดสติขึ้นมาระลึกเองว่าตัณหาเกิดขึ้นความเร่าร้อนความทุกข์เกิดขึ้น จิตจะหาทางเดินทางกลับเข้าสู่เบคขาเห็นว่าเป็นการปรุงแต่งแบบหยาบๆก็จะกลับสู่เบคขานี่ไม่ใช่เหรอที่พทธเจ้าตรัสว่าอินทรียีภาวนาชั้นเลิศปัญญาทั้งหมดไม่ได้หาจากภายนอก มาจากกายใจของเรานี่แหละมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเดินตามอาริยมรรคมีองค์แปดจนวันหนึง่งพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ได้เกิดขึ้น ในตัวของท่านทั้งหลายเองวันนั้นท่านเองนั่นแหละที่จะเป็นสารณะลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ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 เป็นของหยาบๆยาเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประนีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดํารงอยู่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 ในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุพอสมควรครับ